จะขอรวบรัวมเจความเพราะว่าจะเยินเยอะกันไปโดยการศึกษาพราะกรรมฐ า, านข้าบรรดาท่านทั้งหลายได้ศึกษากันมามากแล้วตั้งแต่นาปานุสติกรรมฐานสําหรับเ่อคืนนี้ได้ทิ้นได้พูดถึงว่าอาหารคําหนึ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็ถือว่าเรากินทุกเพราะว่าเราได้มาจากทุก ตอนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจคือเอาเรื่องของอาหารเข้ามาหาความจริงอริยสัจในเรียวความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่าการยอมรับถืออริยสัจเป็นปัจจัยก็ให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะแปลยังไงก็ได้ เรให้มันได้ความก็แล้วกันหมายความว่าใครทำได้ในด้านขออริยสัจจะได้เป็นพะอริยาจ้าเป็นอันว่าอาหารเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าเราจะได้ความทุกข์มาเพราะาอาหารเป็นเหตุที่เราต้องการอาหารมาก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราทรงอยู่ การทรงอยู่ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนจะมีความรู้สึกว่าคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีคําว่าตายต้องการจะฟังอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ตายอันนี้เป็นความประสงค์ขอบรรดาปุถุชนทั้งหมดแต่ถ้าว่าขบัรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต อารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานคือกิเลสความจริงอาหารที่เราได้มาในความทุกข์เข้ามาเพื่อคุณร่างกายต้องการให้ร่างกายทรงอยู่คนคิดถึงความตายไม่มีหรือว่าเราจะมีอาหารดีขนาดไหนก็ตามทีดูคนที่เมีฐานะดีกว่าเรา เขาบริโภคอาหารในบ้านบ้างบริโภคอาหารนอกบ้านบ้างที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสังเกตดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาแก่หรือเปล่าแล้วเขากินอาหารดีขนาดไหนก็ตามเขาป่วยหรือเปล่าแล้วคนที่กินอาหารขั้นดีที่ได้กรรมดีทั้งหมดตายไหม เป็นอันว่าเรายอมรับกันว่าจะกินอาหารดีก็ตายกินอาหารเลวก็ตายฉะนั้นเราจะมัวเมาเอาเนื้ออาหารเนื้ออะไรกันเป็นอันว่าการที่เราไปหลงในอาหารคิดว่าอาหารอย่างนั้นเลิศคิดว่าอาหารอย่างนี้เลิศเพราะว่าเราเมาในชีวิตไม่ได้คิดถึงความเป็นจริง อาหารมาจากความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรอยากให้ร่างกายมันทรงอยู่นระดัแ บ, บแรกถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมติว่าเราเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กกินอาหารอยากเป็นหนุ่มเป็นสาว พ อ, อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วกินอาหารไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันปล่วยไม่อยากให้มันตายอันนี้เป็นตัญหาแล้วความปรารถนาในการบริโภคอาหารสําเร็จผลกับเราหรือไม่เป็นนั้นว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็ตามเราก็ต้องตายแล้วก็ต้องแก่เราก็ต้องป่วย เราก็ต้อง พ, พราดพลาดจากของรักของชอบใจเหมือนกันหมดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตนอกจกจะพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกและก็ต้องถืีว่าอาหารเราได้มาเพราะความทุกข์เราจะต้องมีทุกข์เพรอาหารเพราะว่าเรามีความโง่ โง่ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นไม่ใช่โง่ตั้งแต่ปับันนี้ชาติก่อนเราก็โง่มานับชาติไม่ทวนมาชาตินี้เราก็ยังโง่กันอีกโง่เพราะอะไรพโง่เพราะว่าถ้าเรามีกินแล้วเราไม่ตายเรามีกินเราไม่แก่เรามีกินเราไม่ป่วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ใดๆที่เรามีอยู่แม้แต่ชีวิต เราก็คิดว่าจะไม่ต้องแพ้พลาจากกันแล้วความปรารถนาอย่างนี้มันสมหวังกับคนทุกคนหรือเปล่าเป็นอันว่าไม่สมหวังเมื่อสองสาวันได้ยินข่าวว่าพระสุชัยมณีหรือเจ้าคุณสุชัยมณีเจ้านาจี่จังหวัดชันาทท่านมรณภาพสำหรับพระองค์นี้จตมาขอยอมรับนับถือ ว่าเป็นพระดีท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นพระก็พระดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนว่าเจริญที่นั่นสําหรับนักบวชที่ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิทรงตัวมีวิปัสสนาญาณพอใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ อยู่วัดห่าน้ำสาครมีสภาพโ朴พังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหลอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปลายกฎวัดนั้นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั่นและก่อนหน้านั้นเต็มปด้วยความยุ่งรียยากมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากแต่ว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด เขาเกณฑ์ให้ท่านมาอยู่จังหวัดที่บัดซีวิชัยเพียงระยะตนนับแต่เริ่มงเยอะเขายังยุงย่งกัอยู่ท่านมาความยุ่งก็สงบไปความยากใดใดทั้งหลายมันก็ไม่มีนี่ขึ้นชื่อว่าคนดีเสอย่างถ้าคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนสถานที่ก็ดีด้วย และคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีด้วยเท่อไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาศิวนาจะพาดานางังปันติานังยเสวนาปูชายะปูชนียานังเอตมังครมุตตมังการไม่คบคนชั่วคือคนพานอย่างหนึง่งการครบบัณฑิตคือคนดีอย่างหนึง่ง การบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคลเจ้าคุณสุชัยมุนีท่านไม่คบความชั่วคนชั่วท่านก็ไม่คบอารมณ์ชั่วท่านก็ไม่ครบท่านคบแต่อารมณ์ดีหรือคบแต่คนดีคือคนที่เข้าไปหาท่านท่านไม่เคยคิดว่าใครเยเลว เห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรก็บนว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธา น, นีเป็นเนื้อพระองค์นี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปาาัสนาญาณพราะ่าท่านโทษถ้าพูดไปนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นอดอุตริมุนุสธรรม ผมก็ไม่ขอจะติท่านแต่ขอพูดตามภาพนิมิตเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ถนัดกำลังฝึกประกรรมฐานอยู่ปรากฏว่าพระสุชัยมุนีมหาแสดงตนเป็นพรหมถามว่าเป็นพรหมชั้นไหน บอกว่าเป็นพรมชั้นที่เจ็ดถามว่าทำไมจึงเป็นพรมทำไมไม่ไปให้มันสูงกว่านั้นท่านบอกว่าผมไม่ทันท่านใช่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็มีความสบายพอพ่อก็หยาบปากจะถามว่าจะกลับลงมาเกิดอีไหมก็ปรากฏว่าท่านไปซะก่อนก็แสดงว่าท่านไม่อยากจะตอบคำนั้น นี่เห็นไหมทังว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาการป่วยของท่านมันมีอยู่เป็นของธรรมดาร่างกายเป็นโรคมีทางมันเป็นรังของโรคขึ้นชื่อว่าโรคมีกับร่างกายของคนทุกคนแต่ว่าใครก็ไม่คาดฝันว่าเตายง่ายตายไดย้เป็นน ว, ว่าท่านตายแบบสงบ ถ้าลงตายเป็นพรมก็แสดงว่าขณะที่ท่านตายนั้นท่านเข้าฌานตายคนที่ตายด้วยกําลังฌานอย่างเร็วที่สุดท่านก็เป็นพรหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทาบเพระไม่เคยถามท่านแต่เรสงสัยคําว่าสงสัยก็สงสัยที่ไม่ท่านไม่สะสมเงินทองใดๆ ใครเจริญทาว่าร้ายยังไงก็ตามท่านไม่เคยสนใจกับวาจาของคนอื่นเมื่อพบกันคราวไรก็ปรารภอย่างเดียวถึงธรรมวินัยถ้าทาตนเป็นกันเองเสมอสมัยที่ไม่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดเคยพบกั น, สนแสดงการอย่างไรเป็นเจ้าหน้าเจ้าวัดก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าท่านมีฐานะสูงทรงอะไร เห็นหน้ากันคราวใกดก็คุยกัแบบเพื่อนเหมือนเดิมจังนั้นขอบรรดาท่านนังไลที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านจะคุณสุชัยมณีเจ้าณจังหวัดเชนาจอยู่ดีๆท่านก็ตายฉะนั้นในการยเยรนาหาเรยปฏิโกสัญญาตอนท้ายก็คอยท่านนังหลายตัดตัณหาคือความอยาก อยากว่าจะมีชีวิตทรงตลอดไปอยากจะไม่ต้องการมีความแก่อยากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากเป็นคนไม่พัดพารากจากของรละของชอบใจอยากไม่ตายจงอย่าคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกสิ่งที่มันติดมากับความชั่วของเรา นี่กล่าวว่าความโชกเพราะเรามัวเมาในอาหารมัวเมาในชีวิตร่างกายมัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายมัวเมาในความทรงอยู่ความจริงพวกเราทั้งหมดเคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้ามันหลายพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่โง่ที่อย่างเดียวเราก็ปฏิภานนานแล้ว เมื่อคราวนี้เรามาตัดสินใจกันว่าองค์สมเด็จพระบทิตรแก้วอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าเย็นทีว่ามันเกินวิสัยเกินไปก็เห็นจะต้องํำหนิใจสันิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิริเยณทุกมัจเจติบคุคคลจะล่วงทุกได้เพื่อความเพียร และบริการที่สองผู้คนใดถ้ามีที่บาดสีครบถ้วนบุ้คนนั้นจะปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นพระพุทธเจา้าก็ได้จะเป็นพระบาเจกพระุทธเจา้าก็ได้จะเป็นพระอาเกลสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ได้จะเป็นพระอระหันต์ก็ได้ที่บาดสีมีอะไรมีหนึ่งฉันทะความพอใจ สองวิริยะความเพียนสามจิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้นห้าวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่ทิ่ที่บาสี จ, จุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียร์สัยญอดสิสัยญอดสิมีอะไรบ้างสังยญอดสินี่ต้องนิกทุกวัน ลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมใจว่าอารมใจของเรายังคล่องยังติดอยู่ในสังโยชนิระกาข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่แต่ยังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสดงว่ายังเรวเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นศาสรกยบุตรพุท ธ, ธจีนรรถ มาไล่เบียรสัญญอสิบหนึ่งสกายติฐิท่านบอกว่าจงหาความจริงด้วยอํานาจของปัญญาวาตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการเสื่อมไปทุกปณะแล้วก็สลายเพือตายในที่สุด จะกินอาหารดีประเภทไหนก็ตายหมดสองวิจิกิจฉาเราจะเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสามสีรพตาปรมามัดเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ พูกันอย่างง่ายๆอันดับสามขั้นนี่เป็นอันดับของพระโสดากบกศรีธาคามีเอาอย่างพูดภาษาไทยกันก็คิดว่าร่างกายของเรานี้ไม่แก่ลงไปทุกวันมันไม่มันสึกล้อไปทุกวันมีการป่วยไข้เปน็นกติไม่แช่ก็ตายถ้าเราอยาตายเราอยาหาที่พึ่งไว้ก่อน โดยจะไม่ยอมลงอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสถิติฉานถ้าจะมาเอินจะเป็นคนก็เป็นให้มันน้อยชาติที่สุดแล้วก็เป็นคนอันดับนี้เราจะทำได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคารพในองค์สมเด็จพระเยนศีคำสอนขององค์โวยปัญญาธรรมะควรที่จะเคารพอันดับแรกนั่นก็คือศีลห้าประการ คือเราไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ทำร้ายเขาด้วยเมตตาจิตไม่ลักไม่ขโมยเขาด้วยรมกรุณาสงสารแล้วก็แถมให้ทานเป็นกำลังเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุกคนอื่นเมื่อจิตสันโดษพอใจเฉพาะคู่ตัวโผเมีย เราไม่พูดปดมดเท็จไม่ทำลายประโยชน์ของพระคนอื่นด้วยวาจารเราไม่สร้างความเป็นคนบ้าเพราะไม่ดื่มสุรามีไรกำลังใจของเราปรารพนุนิพนธ์เป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกเลิกกันเสียทีการเป็นมนุษย์มันก็ทุกขแบบนี้เป็นเทวดาและพรหมก็สุขทั่วคราว สู้เราไปนิาีผ่านไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจเขามันได้แต่พุทธบริษัทแท่หลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันรือสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึง่งเขามันเข้าใจง่ายๆวันหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอ เรการดีสองมีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์มีศีลห้า บ, บริสุทธิ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่การที่เคารพพระพุทธพระธรรมประสงฆ์ น, มม น, นี่เขาจะดูกระทงศีล ถ้าศีลเรายังบกพร่องก็สแสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงไม่ได้เคารพในประธรรมจริงไม่ได้เคารพในประส ง, ร ง, รรรง์จริงถ้าเราเคารพจริงๆพระจะแนะนําว่าเอามีความเคารพในท่านต้องการให้ท่านเป็นดีขึ้นจงทรงศีลห้าหบริสุทธิ์ในรนดับนี้สัญญศรัฟเวิกการเปื้องได้แบบเบาๆ รวมความว่าพระโสดากฟีทางคาสมาธิแค่ปทุมชาญคือใจสบายสบายปัญญาไม่นึกมากอะไรนึกว่าความตายมาถึงมันเป็นทุกข์รอปณิพานดีกว่าสิ่งที่มั่นจริงๆก็คือสินห้าบริสุทธิ์ต่อไปถ้ากำลังใจดีแล้วคลาต่อไปอีกไอ้สามอย่างนี่มันทรงตัวทำลายได้ได้อย่าง ทรงจิตทรงมันย้ำอยู่อย่างนี้แหละให้ม่ขึ้นใจถ้ากำลังใจทรงตัวดีแล้วความกับสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังมันก็หันเข้าไปจับกามาชันทะร่างกายของคนมาจากพื้นฐานเหื่องการสุขปรกเราจะสนใจร่างกายเขาร่างกายเราได้เรื่องอะไร ความรู้สึกในการมารมมันก็ตกไปความโกรธความพิบาตเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่การรักกันเกือคูลกันไม่อฉาดิศยาสิงกันเลยกันวางเฉยในเมื่อสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเข้ามาถึงตัวเรากําลังใจของเราตั้งอยู่ในความรักเป็นเหตุ แล้วก็มีความสงสารตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบร ม, มโลกระเชษมีอารมณ์พรอยินดีในความดีของคนอื่นไม่ชาดเสียมีอมุเบกาาวางเฉยคือกระทบกระทั่งอา ร, รมณ์ที่เราไม่ถูกใจเพียงเท่านี้ท่านนันไลก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าถึงอนาคามีนี้ตายจากคนไปเกิดเป็นธรรมดาเพลผม เพราะปิพันธ์เลยต่อไปสังยอดอีห้าระการข้างท้ายเป็นเรื่องของอหัตหตาผลนั่นก็คือรูปราคะอย่าหลงในรูปประชันเกินไปแต่รูปประชันชาตินีต้องทรงเข้าไว้อย่าทิ้งแต่ก็จงอย่าคิดว่าความดีมันถึงที่สุดแค่รูปประชัน รูประชานที่ว่าเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นต้องครบฌานต้องครบเป็นปกติแต่เราใช้ปัญญาเข้ามาห้ามหันคิดว่าฌานนี่เป็นกําลังไตกเกลิช่วยปัญญาไตากเกลิให้เป็นสมุเทเฉติวิหารโดยการต่อไปก็ไม่หลงในอารมูปฌานมีอารมณ์อย่างเดียวกันในรูประชานคือไม่หลงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียด ร้ายพระอาหารหันต์ที่ยังก่อนสมเด็จปัญญ น, นวนึงกล่าวว่าแค่รู้ชาี้ยังไม่เป็นอาหารหันต์ต่อไปข้ายกัดมานะความถือตัวถือตนยงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาอย่าคิดว่าเราเสมอเขาอย่าคิดว่าเราเลวกว่าเขาล้วคิดแบบไหนนะ ก็คิดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะมายังไงใครจะมีฐานะเช่นใดดีกว่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีความรู้เท่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีสักศีเสมอกับเราและดีกับเราและเลวกว่าเราก็ช่างเมื่อมาแล้วโอภาปราศัยได้สัมโมทนียกถาคือวาจาเป็นที่น่ารักจิตใจก็มีปกติ คิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมกันคำว่าดีเด่นในฐานะดีเด่นในความรู้ดีเด่นในศักดิ์ศรีไม่ได้มีประโยชน์ต่างคนต่างตายใจก็วางเส้นได้คนมือกดแขนดุนเป็นโรคขี่เล้งกดถังเราก็คบได้ ถือว่าไม่มีใครต้องการในการอย่างนั้นที่เป็นมากระพกรของกรรมเขาเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเรามีจิตใจเหมือนเขาถ้าเรามีสภาพเป็นอย่างนั้นบางเหล่าถ้าใครเ้ารังเกียจเราก็อย่าเสียใจเราก็คิดว่าเราจะคบกับคนประเภทใดก็ตามเราก็ตายเขาก็ตายหมดเรื่อง แม้แต่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนได้ใช้ได้ถ้าเป็นเพื่อนกับสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังรังเกียจสุ น, นัขยั ง, งเกียแมวยั ง, งเกียเติดไก่หมูหัวควายอันนี้ใช้ไม่ได้คำว่าราังเกียจแม่ในคนหรือสัตว์ไม่มีสำหรับเราพอแล้วก็พูดจะหยอกเวลาไดสามนาที ต่อไปอุทะจรอุทะจรตัวนี้ตอนที่พูดมานี่ตั้งแต่รูปราฆารูปราฆานี่ปนาาาากกไปอรหัตมัตอรหัตมัตก็พยายามตัดต่อไปอุทะจรคืออารมณ์ฟุงฟุ้งตัวไหนอารมณ์ฟุงขาออรหัตมัต ก, ก็บางทีก็เหนื่อยขึ้นมาเอ๊ะจะท า, าไปทําไมเนาะ เราไปอนาคามมีผลแล้วนี่ตายแจกความเป็นคนไปเกิดเป็นเทว ด, ดาหรือพรหมเราไปฝึกผลวันนั้นแล้วก็ปณิพานได้เนี่ยจะพุ่งไปนิดตรงนี้พุ่งเรื่องกิเลสไม่มีแล้วเราก็มาตัดตัดใจซสี ว, ว่าถ้าเวลามันยังมีถ้าสามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็เป็นซะเลย เราไม่ต้องการไปพักที่เทวดาหรือผมถ้าบางเอิญมันไปไม่ไหวไ่พักที่นั่นก็เป็ือนเรื่องของมันถ้าไปไหวจากชาตินี้จะไปที่นิพพานได้เราก็ไปเลยเพราะจิตใจของเราจับจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์พระนิมีพนิพพานเป็นอารมณ์มีที่เดียวที่เราต้องการจะไปหลังจากนั้นองสาเร็จไปจอมไตร ทรงแนะนําให้ตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี้ก็แปลว่าไม่รู้อัตมาบรรดากดิไม่ไม่เห็นด้วยคนเราเกิดมามันต้องรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักตัวเองรู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักปุจาระรู้จักปวดสัสวะไม่รู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้ไม่ถูกเรโง่ ตอนนี้ถ้าตัดด้ารมสองคือฉันทะความพอใจราคะความยินดีความพอใจในการเกิดยินดีในการเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเราพอใจในรูปโฉมนมพัน์ของคนอื่นยินดีในรูปโฉมนมพัน์ของคนอื่นไม่มสําหรับเรา พอใจในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกยินดีในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกไม่มีสำหรั บ, บเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกอย่างเป็ น, นปันจจัยของความทุกข์และทุกอย่างเป็นอนัตตาในที่สุดก็สลายไปเราต้องการแดนที่เป็นอมตะคือไม่มีการเคลื่อนไหวได้แก่พระนิพพาน ถ้าจิตใจขบรนดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านในขอพูดโดยย่อนะเป็นยาวครับเจ็นชะน่าลำคาญท่านกาลังใจได้อย่างนี้เป็นอนุวัตท่านเข้าถึงความเป็นสาวกองค์สมเด็จพระปิญหาสีบรมศาสัญาสมมาสัมพุทธเจ้าเต็มตัวคือเป็นพระอาหารหันตระ บ, บัรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับอาหฮารีปิฎกฤษณียา ก็ขอแนะนำได้เพียงโดยยอ่อขอได้ความเพียงทางนี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขนุ่สมเด็จมรผลทางวันดาท่านพุทธศาสนิกนชนมีที่บาดศีรปจำใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในาศาสนาพระองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้ทมีพระภาค